อย่างที่พระเจ้า ก, ก็เคยสอนพระเจ้าประสิทธิ์กศอนะว่าเวลากินก็ให้มีสตินะผู้มีสติรู้จักประมาณในการบริโภคนะนะย่อมมีอ า, าพาธน้อยนะแล้วก็มีอายุยืนนะอันนี้ก็ช่วยทําให้พระเจ้าประเสิทธิ์ที่ก่อสนนะสามารถจะลดน้ําหนักได้ลดความอ้วนได้เพราะว่าให้มหาเล็กนะคอย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 แต่ว่าข้อต่อมาคือว่าต้องรู้จักประมาณในความสบายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอสบายแล้วก็ติดนะยิ่งสบายมากขึ้นอันนี้เป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากเลยทีเดียวนะเพราะว่าสมัยนี้เราสบายอย่างเดีไม่พอนะยังนับถือความสบายเป็นพระเจ้าด้วยอะไรที่สบายก็ขอเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย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 แม้กระทั่งวัดป่าสุกโตนี่ก็เดินกันน้อยลงนะถ้าไม่ใช่บินทะบาศสมัยก่อนนี่เวลาจะไปทํามาไฟนี่ต้องเดินเอาสมัยก่อนนี่ต้องไปขึ้นรถที่ท่ามาไฟนะเราไม่มีรถวัดนะจะลงไปแก้งเขก็ต้องเดินไปทํามาไฟนะชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ต้องใช้เรียวใช้แรงนะซึ่งก็ทำให้สุขภาพดีแต่สมัยนี้พอแม้กระทั่งวัดป่าอย่างเราก็เริ่มสบายมากขึ้น เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวว่าแต่เดินไปขึ้นรถทํามาไฟเลยเดินไปขึ้นรถที่แกล้งที่กุดงงก็ไม่ค่อยเดินกันแล้วนะเพราะมีรถนะนี้สบายมากไปก็ไม่ค่อยดีนะขนาดวัดปา่ายิ่งสบายขนาดนี้นักประาแหลาคนในเมืองนะมันยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นะเดินก็นไม่เป็นลนะต้องนั่งรถไปปากซอยก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์นะ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 หาเล่ามากินได้นะขี่มตอตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้า น, นก็มีเล่ากินแล้ววันนี้ยังใช้เวลานา น, านกว่าจะไปถึงนะแต่ว่าเล่านี่มันเข้าถึงได้ง่ายมากอันนี้นอกจากศีลข้อที่ห้าแล้วเนี่ยซื้อสินแปนี่ก็เหมือนกันนะการการไม่กินอาหารในยามวิกาลเนี่ยกินแค่มือสองมือนี่มันก็พอเพียงแล้วน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 ให้การที่จะมีศีลเนี่ยครบ5้าข้อเนี่ยมันก็ยากนะพอศีลไม่ครบนะมันก็สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยนะถ้าเราถ้าเราละศาศีลเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความเครียดมันก็อายุยืนเพราะว่าจิตใจกับร่างกายมันสัมพันธ์กันถ้ามีเรื่องเครียดๆนะเพราะว่าไปก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นเขาก็จะเล่น ง, งานเอา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 อย่างไรก็ตามว่าอย่างที่บอกนะนะว่าคนเราเนี่ยนะต้องรู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายมากไปเพราะถ้าสบายมากไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าทําให้อายุสั้นนะอาจจะเกิดปัญหาตามมามากมายก็มีเรื่องเล่านะนะแถวทางทิเบตลาดักภูฐานเนี่ยนะเขามีพิษุณีอามีสามะเณรีนะสามะเนรีเนี่ยบางทีก็นิยมปลีกเลีกเล่นนะไปอยู่ป่าไปอยู่ถ้าป่าอาจจะมีน้อยนะแล้วก็ไปอยู่ถ้า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 กับสามนเณรีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องสร้างกระท่อมสร้างกระตออให้นะก็เลยต้องอต้องลงมือสร้างกระตอ้อนะขณะที่กาลังลงมือสร้างกระตออให้เด็กอยู่นี่ก็ก็เราวุ่นนะจนกระทั่งภาวนาก็ไมไ่ภาวนานะก็บังเอิญมีชาวบ้านนะมาหามาปรึกษาจะมาปรึกษาเรื่องชีวิตนะเรื่องขอความเห็นเพื่อแนะนำ สา ม, มัญิลเลนก็รู้สึกลำคาลเลยนะบอกว่าฉันไม่มีเวลานะไม่รู้หรือว่าเนี่ยฉันกําลังเนี่สร้างกระท่อมให้เด็กนะเด็กก็จะได้มีเวลาเด็กจะได้มาช่วยตัดหญ้าให้ให้วัวนะแมวฉันก็จะได้มีน้ํานมนะพอแมวโตก็จะได้ไปคอยไล่หนูไม่ให้มากัดเสื้ อ, องฉันนะฉันจะได้ไม่ต้องมาคอยปะชุนตีวานบ่อยๆพอพูดอย่างนี้ข้าวก็ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นเพียงแค่เราต้องการแก้ปัญหาเนี่หนูกัดจีวอนเนี่ยมันชักจะใหญ่โตแล้วนะก็เลยได้สติขึ้นมาแล้วพอได้สติขึ้นมาว่าชักมันเริ่มมาชักจะไปกันใหญ่แล้วะ เ, เพียงแค่ว่าไม่อยากจะปะชุนจีวอเพราะหนูกัดเท่านั้นแหละก็เลยเปิดอารมว่างั้นเราชักจะเลยเถอดแล้วนะงั้นเลิกดีกว่านะต่อไปนี้ก็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 ถูกหนูกัดอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยแทนที่จะบ่นนะสามมณรีก็เย็บจีวร น, นะอย่างยังมีความสุขละแต่ก่อนหน้านั้นเน่ยเย็บไปก็บ่นไปนะว่ามันทําให้ชีวิตฉันยุ่งยากเหลือเกินแต่ตอนนี้สามมณีรบสามมณรีพบว่าเย็บจีวร น, นะเวลาหนูกัดนี่มันมันง่ายที่สุดละนะไม่ต้องบ่นอะไรนะมัน